วันนี้คำถาม <c oughs> สามคำถาม <c oughs> คำถามที่หนึ่งว่าการหลุดพ้นออกจากอวิชชาสิบข้อในตอนเช้าในข้อหกและข้อสิบจดไม่ทันช่วยไม่ได้ประมาณต้นปีห้าแปดพึ่งจะหาลมหายใจได้ก่อนหน้ายังไม่ได้หายใจยาตายไปนานแล้วนี่นะ <c oughs> พึ่งจะหาลมหายใจเจอนี่นะ โดยการกําหนดลมหายใจเข้าออกแรงๆหลังจากนั้นก็รู้สึกถึงลมหายใจเข้าออกตอนนี้รู้สึกแน่นๆที่จมูกมันหายใจไม่สะดวกควรปฏิบัติอย่างไรหายใจแรงๆหายใจแรงๆเดี๋ยวันกงออกหรือออกกําลังกายเราจะใช้วิธีการเจริญสติเพื่อกลับมารู้สึกตัวเพื่อไม่ให้เป็นทุกข์กับสิ่งที่มากระทบ หรือเหตุการณ์ที่มากระทบตัวเราอย่างไรดีถ้าสมมุติว่าจบจากการปฏิบัติธรรมแล้วกลับถึงบ้านแล้วพบ ว, ว่าถูกโจรงัดแงะขโมยทรัพย์สินสำคัญไปขโมยทรัพย์สินสำคัญไปตลอดจนทำข้าของกระจัดกระจายไปทั่วจะทำอย่างไร กสาธุที่มาช่วยแบ่งเบาภาระ <c oughs> ที่จะไม่เป็นทุกข์ด้วยนะแล้วก็อนุมโมทนามันด้วยเดาให้ทานไปแล้วโดยที่ไม่ต้องไปหาคนมารับทานหรือไม่ต้องไปหาวัดที่จะบริจาคเขามาเอาถึงบ้านอนุมโมทนาอีกทีหนึง่งดีไหมเออนั่นแหละถูกต้องที่สุดต้องอนุมโมทนาก็ด้วยนะมีสามคำถามจบ ต้องหาไม้มาให้หลวงพ่ออีกอันหนึ่งใครจะถามก็เอาไม้ไปการเจริญสติในแนวทางของหลวงพ่อเทียนเนี่ยมีอุปสรรคอะไรบ้างครับโยมเพิ่งมาทำครั้งแรกเนาะกลับไปนั่งตั้งแต่ทำมาสามวันได้เจออุปสรรคอะไรบ้างตั้งสามวันเนี่ยเจออุปสรรคอะไรบ้างนึกออกไหมหนึ่งไม่ไมอุปสรรคที่โยมเจอสามวันเนี่ยเจออุปสรร ค, อ, นน อ, อ, คอะไรบ้างขณะที่ทําเนี่ยที่นั่งปฏิบัติเนี่ย เจออะไรบ้างที่มันเป็นอุปสรรคง่วงมีไหม <c oughs> ยังไม่รู้จักอุปสรรคเลยไหถ <c oughs> ามเรื่องอุปสรรคแต่ไม่รู้จักอุปสรรคง่วงมีไหมง่วงมีมีบ้างแต่ไม่แต่ไม่มากนะักแต่ก็มีใช่ไหมเบื่อมีไหมเริ่มก็ไม่เบื่อแล้วครับอ๋อ ม, มันมีอยู่ใช่ไหมแล้วก็อึนอัดงุนหงิดมีไหม เมื่อก่อนนี้เคยมีบ้างรนในขณะที่มาทำที่นี่ไม่มีเลยใช่ไหมดีมากแลวความรู้สึกเพลินเวลาทำจะไม่รู้ตัวเพลินจะไม่รู้ตัวมีไหมเพลินก็พอมีบ้างครับมีนะความเผลอมีไหมเผลบ่อยตัเผล่บ่อยฟุ้งซ่านมีนะฟุ้งซ่าน้น้อยลงแล้วคิดไปต่างๆนานานี่ยมีใช่ไหมความลังเลยสงสัยมีไหม เมื่อก่อนมีเยอะมีนะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะนี่โยมมีอุปสรรคน้อยแล้วเนี่ยโอ้สักเหลือน้อยมากแล้วเราจะรู้ว่ามันเป็นอุปสรรคต่อเมื่อมันเกิดมาแล้วแก้ไม่ได้หรือแก้ไขยากเป็นอุปสรรคแต่บางอย่างเป็นอุปสรรคเหมือนกันเราแก้ไขมันได้ก็ไม่ถือว่าเป็นอุปสรรคเช่นอะไรเช่นเกิดความเบื่อขี้เกียจ เราแก้ไขมันได้ก็ไม่เป็นอุปสรรคเพราะแก้ไขได้สิ่งที่เป็นอุปสรรคหมายถึงว่าเราแก้ไขา ย, ยากหรือแก้ไขไม่ได้อันไหนที่เป็นอุปสรรคก็จริงแต่แก้ไขได้ไม่เป็นอุปสรรควิธีการนี้นะเปลี่ยนอุปสรรคเป็นอุปกรณ์ได้ถ้าเปลี่ยนอุปสรรคเป็นอุปกรณ์ไม่ได้นั่นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่แก้ไขา ย, ยากเข้าใจนะโอเค ท่านผู้ใดจะถามก็ส่งไม่ไปนรมาส ก, การหลวงพ่อคะ่ะมีคําถามค่ะคือเวลาเวลานั่งทําจังหวะไปด้วยแล้วมันรู้สึกถึงลมหายใจอ่ะคะ่ะแล้วบางทีมันมาพร้อมกันบางทีมือก็เด่นกว่าบางทีลมหายใจก็เด่นกว่าอย่างนี้ควรทํำยังไงคะมันผิดไหมคะผิดแต่ถือว่าเป็นสัมปชัญญะมีสัมปชัญญะ รู้หลายๆอย่างไม่ใช่รู้ลมหายใจเท่านั้นนะอาพตาห้าปากเหลวซ้ายไหลขัวเย็นร้อนอ่อนแข็งเกร่งตึงพวกนี้นะรู้ได้หมดเลยไม่เป็นรูปส่งรู้ทั่วๆยิ่งดีเพราะสัมผัสแปลว่าความรู้สึกตัวทั่ ว, ว, ว, วพร้อมรู้ทั้งลมหายใจรู้ทั้งเคลื่อนไหวเย็นร้อนอ่อนแข็งเคร่งตึง <c oughs> นี่เป็นช่วยให้ความรู้สึกตัวชัดขึ้น ว่าควรจะรู้ทั้งตัวใช่ไหมค่ะควรจะรู้ทั้งตัวตลอดถึงลมหายใจก็รู้ได้แต่อย่าเพ่งอันใดอันหนึ่งให้รู้ทั่วๆอย่าจอ่ออย่าจมหรืออย่าติดอยู่อันใดอันหนึ่งให้รู้ทั่วๆอันนั้นก็จะทําให้เป็นสัมชปชัญะปัฏ p รู้แล้วก็จะผ่อนคลายแต่อย่าไปรู้ว่าเอาลมหายใจกับเคลื่อนไหวก็พออย่างอื่นไม่รู้อย่างนี้ก็ไม่ใช่นะให้รู้ทั้งหมด อันใดที่พอรู้ได้ชัดก็ตามรู้รู้อย่างครึ่งๆไปไม่ใช่เน้นอันใด ห, หนึ่งรู้ทั่วๆก็จะสบายถูกต้องแหละแล้วแล้วสมมติว่าเวลาทําแล้วปวดศรีรษะไปด้วยอะคะหมายถึงมันไม่ได้ปวดเพราะว่าทํานะคะแต่ว่ามันมีอาการอยู่แล้วอ๋อเราก็ตามรู้อาการของปวดไปด้วยดูแต่อาการมันแต่เราอย่าปวดกับมันอาการปวดอ๋อเป็นอย่างนี้ มันเกิดขึ้นเพราะกฎเป็นธรรมชาติของมันมันมีหัวมันจึงมีปวดถ้าไม่อยากปวดก็จะเอาหัวออกอย่างเงี้นะเราเมีย <c oughs> มันจะต่อเนื่องเป็นแบบว่าไม่พอใจอาการปวดนะคะ อ, อ๋ออันนั้นผิดตรงนั้นแหละ <c oughs> ให้รู้อาการปวดแต่อย่าไปถ้าเราเข้าไปในความปวดหรือไปสําคัญว่าเราปวดมันก็จะไม่พอใจละเพราะนั้นเรามี เย็นร้อนอ่อนแข็งแข่งตึงมีอยู่แล้วเป็นประจำแต่ว่ามันเกิดแล้วมันแก้ได้แต่ถ้าหากว่าอันใดหนึ่งมันเกิดแล้วมันแก้ไม่ได้หรือแก้ไม่หายอันนั้นก็จะเป็นอุปสรรคแต่ว่าเราก็ตามรู้เปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นอุปกรณ์โดยที่เอาตัวมันนั่นแหละเป็นกรรมฐานแต่ไม่ต้องไปสําคัญมันว่าเป็นเราถ้าสําคัญว่าเราปวดเมื่อไรเราก็จะปวดหัวเราก็จะงุ่งิดอึดอัดและกลัว แต่ถ้าเราือเป็นอุปกรณ์ก็ดีเหมือนกันเราจะได้ไม่หาอุปกรณ์ยากเอาตัวปวดนั่นแหละเป็นอุปกรณ์ฝึกทําดูนะท่านขอบพระคุณค่ะพอใจไปแล้วนี่เอาตัวไม่พอใจเป็นอุปกรณ์ได้ไหมคะอีกเกิดไปแล้วก็แล้วไปแต่เอาตัวที่กําลังเกิดถึงจะเป็นอุปกรณ์ได้ยมจะเอาสิ่งนี้เป็นอุปกรณ์เมืม่อมันอยู่ใกล้ตัวหรืออยู่ในมือเท่านั้น แต่ว่าถ้าาสิ่งนี้มาอยู่ที่นู่นเนี่ยเอามาเป็นอุปกรณ์ไม่ได้คนเอื้อมไปถึงอ่ามันผ่านไปแล้วก็แล้วไปแต่สิ่งที่กำลังเกิดปัจจุบันเนี่ยเอาตัวนั้นอีกปัจจุบันมีเยอะแยะเลยใช่ไหมที่กำลังเกิดใหม่ขออนุญาตค่ะคื อ, อยงไม่ใช่คนปฏิบัติธรรมมาก่อนนะค ะ, คะ อ, อ่เป็นคอร์สแรกก็คือของพระอาจารย์คันชิตค่ะแล้วก็ มาที่นี่ก็คือเป็นคอร์สอาจารย์คันชีแล้วก็ต่อเ น, นื่องกับพระอาจารย์นะคะก็พอดีในในคอร์สของพระอาจารย์คันชีสามสี่วันแรกก็คือโ ย, ยมก็เริ่มเรียนรู้ที่จะเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตแล้วก็เห็นธรรมแต่ยังแยกไ ม, ไม่ได้ทั้งหมดนะคะจะเห็นจะเห็นบ้างเป็นระยะระย ะ, ะคะ่ะ พอมาพระพระอาจารย์วันแรกที่พระอาจารย์พูดถึงเรื่องหนักเบาตอนแรกโยมยังไม่เข้าใจเจ้ค่ะพอก็มีพี่วิชัยแนะนํานิดนึงค่ะเรื่องกํามือแบมือให้นึกถึงน้ําหนักให้ให้คํานึงถึงน้ําหนักตรงนั้นโยมกลับไปนอนพอตอนตื่นนอนนะคะระหว่างที่โยมลุกจากเตียงขึ้นก็ก็รู้สึกได้ถึงน้ําหนักก็เลย พยายามลองตามหาน้ำหนักดูก็ปรากฏว่าในทุกกิริยาบทมันเริ่มมีน้ำหนักหนักเบาซึ่งตอนแรกโยมไม่ทราบว่ามันถูกหรือผิดแต่โยมก็พยายามตามดูมาตลอดนะคะพอเมื่อเช้านี้ได้ฟังพระอาจารย์พูดพูดถึงเรื่องทั้งหมดนะคะโยมก็ประมวลประมวลเข้ามากับตัวเองว่ามันเป็นอะไรที่เราเจอเราเห็นอะไรแบบนี้หรือเปล่าอย่างเรื่องอย่างเรื่อง เดินจงกรมอะค่ะปกติโยมจะค่อนข้ า, ขางสเปะสปา่าแต่พอพระอาจารย์พูดถึงการให้เห็นหนักเบาเกือบจะเท่ากันเหมือนจะเหมือนในอารมณ์เดียวกันโยมก็พยายามปรับปรับสมดุลของเทาา้าอะค่ะจนในที่สุดก็เริ่มเริ่มที่จะจะจะลงตัวกับความรู้สึกที่เห็นหนักเห็นเบา มันไม่ใช่พร้อมกันแต่มันเกือบจะพร้อมกันพอวันนี้พระอาจารย์ก็ให้เดินเดินในลักษณะที่ให้เป็นเนื้อเดียวกันให้ให้เหมือนให้สมดุลมันได้ไม่ไม่รู้สึกหนักนะคะโยมก็เริ่มหาไปเรื่อยๆแล้วที่สุดก็ ก, ก, ก็ก็รู้สึกว่าเหมือนตัวเองพบตรงนั้นทีนี้พอในช่วโมงสองชั่วโมงนั้นก็เลยเหมือนเหมือนเพลินกับการที่จะเดินรู้น้าหนักหนักเบาตรงนั้น แต่พระ อ, อาจารย์บอกให้รู้ขึ้นมาถึงกล้ามเนื้อตรงส่วนใดที่ที่พันรู้สึกได้โยมก็จะรู้สึกตามไปด้วยมันก็จะพอที่สุดแล้วมันจะกลายเป็นมันไม่มันไม่รู้สึกเป็นหนักเบาแต่มันเกิดเป็นความรู้สึกของเกิดดับเกิดดับทีนี้พอพอมันเป็นอยู่อย่างนั้นโยมก็พยายามรีเช็คให้แน่ใจว่าเราคิดไปเองหรือเปล่าเพราะว่าในระหว่างที่เท้าเกิดจับ มันก็มีตรงส่วนส่ว น, วนอื่นๆคือเหมือนโยมเอาจิตไปดูตรงไหนไปไปสังเกตตรงไหนก็ตามมันจะเกิดดับเกิดดับกับทุกจุดนะคะไม่ว่าคือในเหมือนในระหว่างที่เท้าเราก็มีเกิดดับที่ตาเราก็มีกระพริบมันก็มีเกิดดับที่จมูกเราก็มีลมหายใจที่หูเราก็จะมีลมมีเสียงเข้าออกเข้าออกเพียงแต่เราถ้าเราไปโฟกัสตรงไหนมันก็คือจะจะเห็นเกิดดับกับตรงนั้นตรงนั้นนะเจ้าค่ะอันนี้คือ เป็นความเขียนที่ถูกหรือเปล่าคะถามสั้นๆอีกครั้งหนึ่งจำคำถามไม่ได้คือยอมรู้สึกว่าพอพอเหมือนยมไม่รู้ว่าจิตมันรวมหรืออะไรก็ไม่ยมเรียกไม่เป็นนะคะเพียงแต่มีความรู้สึกว่ามันมองไปตรงไหนมันก็สังเกตมันเป็นการสังเกตนะคะเห็นว่าถ้าเรามาโฟกัสที่ตาเราก็จะเห็นว่าตามันกระพริบ เป็นเกิดเป็นดับนะคะเหมือนเหมือนตามแล้วตามมันก็จะกระพริบไม่เป็นไม่เป็นทั้มมิ่งเดิมๆอ่นะคะ่ะมันมันไม่เท่ากันมันแล้วแ ต, มแวแต่มันแล้วแต่เวทนาที่มันเกิดขึ้นการหายใจมันก็ไม่เท่ากันไม่คือมันไม่ได้เข้าออกเสมอในในเท่ากันนะคะแต่ถ้าแต่ถ้าเข้าออกเท่ากันมันก็จะรู้สึกสบายแล้วโยมก็เลยเหมือนลองที่จะแบบหายใจกลายเป็นถามยาวอีกนะคะ ค่ะเป็นว่าคือโยมมองไปตรงไหนสังเกตเป็ตรงจุดไหนมันก็จะเห็นเป็นเกิดดับเกิดดับต่อเนื่องอะคะ่ะมันเหมือนมันต่อเนื่องเป็นเป็นโซ่อ่ะคะ่ะที่ให้ทวนคําถามเพื่อให้มั่นใจว่าเข้าใจจริงหรือเปล่าท่านเองค่ะค่ะสิ่งที่พูดมานั้นถูกต้องหมดแล้วเอาไปทําต่อนะค่ะอแต่ว่าเวลารู้เนี่ยไม่ต้องไปแยกว่าอันนี้เป็นกายเวทนา จิตที่ทําเพียงได้โยมกํามือเนี่ยมันก็เป็นทั้งหมดแล้วมือเป็นกายใช่ไหมกำแล้วหนักหรือเบาค่ะเป็นเวทนาค่ะแล้วรู้ไหมว่าหนักหรือเบาจิตรู้ใช่ไหมรู้ไวไงพอใจไม่พอใจหรือเฉยค่ะเป็นจิตแหละแล้วรู้สึกดีหรือไม่ดีกําแน่นแน่ดีหรือกํำหลวมๆดีค่ะ รู้สึกใช่ไหมการไปเวทนาจิตธรรมก็อยู่ทุกครั้งที่เรารู้โดยที่ไม่ต้องมีบัญญัติว่านี่กายเวทนาจิตธรรมแล้วเวลาเกิดเวทนา <c oughs> คือคือโยมจะตามดูตลอดใช่ไหมคะถ้ามีเวทนาบางทีโยมก็จะก็ก็จะดูลงไปดูคือดูนะครับสังเกตลงไปสังเกตเวทนามันก็จะไม่ได้อยู่ในเลเวลเดียวะคะ่ะมันก็จะขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลง แม้แต่ในใ น, ในความร้อนนี่โยมรู้สึกว่ามันร้อนแต่พอยอมมากาหนดมามามาสังเกตที่ความร้อนจริงๆแล้วมันก็จะมีความเย็นค่อยๆเข้ามาเหมือนแล้วเหมือนองศาของตัวละมันก็จะค่อยๆลดลงนะคะเลยเลยเห็นว่ามันเกิดดับเกิดดับมันไม่ได้คงที่อยู่แบบนั้นนะคะใช่มันถูกต้องแล้วมันทำหน้าที่เกิดดับนะเอาท่านต่อไปสังเกตไ ด, ด้ดูดูสบายๆ แต่เพ่งจ้องมันเน้นหนักเลย mm. <c oughs> สังเกตดูสังเกตดูคือดูหลายๆอย่างแต่ว่ากำลังมองหาเป้าหมายที่ต้องการใช่ไหมแต่เพ่งจ้องหมายว่ามันดูแบบจี้ไปที่เดียวเลยเหมือนกับเราถือไฟฉายนะดูนั่นทีนี้ทีสังเกตดูนะแต่เพ่งจ้องหมายเขากดดูตรงนั้นเจาะตรงนั้นเลยนะนี่คือต่างตรงนี้ เพ่งจ้องคือเป้าหมายเดียวสังเกตได้ลหลายๆเป้าหมายแต่เลือกเอาอันใดอันหนึ่งถ้าพอไปทําเองแล้วบางทีมันไม่ใช่มันเป็ น, ม, น, ปนมันแน่นนะคะมันไม่สบายก็พยายามปรับเปลี่ยนแล้วแต่มันก็ยังเพ่งจ้องมันยังแบบว่าไม่สบายค่ะควรจะปรับเปลี่ยนยังไงเพิ่มไหมคะหยิบอีกเอาอี อ, อ, อันเนี่ยเธต้องวางอันนี้เสก่อน ถ้าไปวางอันนี้ไม่หยิบอันนี้ไม่ได้เข้าใจไหมวันเหมือนอยากใช่ไหมคะ่ะใช่เพราะฉะนั้นต้องรู้จักปล่อยอันหนึ่งที่จะเอาหนึ่งจะจับอันใดหลายอั น, น, นโอ้โหมันวุ่นนะใช่ไหมมันอยากอะ่ะเพราะฉะนั้นเดีต้องสละความอยากสิ่งที่อยู่ในมือเนี้ยเอาไปก่อนท น, นี้ไปอยากสิ่งใหม่ได้จะอยากพร้อมๆกันหลายอย่างนั่นคือทุก ให่อยากได้ทีได้อย่างแล้วก็ทําให้มันได้อย่างนั้นทุกคนก็หายไปได้อย่างนี้มาแล้วจะอยากอีกอันหนึ่งทั้งๆที่อันนี้ยังอยู่ในมืออยูน่นะเธอก็เอาไม่ได้เพราะเอาไม่ได้มันทุกข์ละออยอมปล่อยวางอันนี้ซะแล้วก็อันใหม่โอเคทําได้ไหมน่าจะได้นะลองดูลองดูยังงงๆอยู่ฮะ <laughs> เดี๋ยวเข้าใจเดี๋ยวเข้าใจอ ข, ขยายเขาขยายความที่โยมคุณถามต่อยาวเมื่อกี้นะที่เธอเข้าใจตรงนี้ได้เนี่ยนับว่าไวนะเพราะหลวงพ่อให้ดูแค่หนักเบาเนี่ยคนไหนไวมันจะทะลุถึงการเกิดดับแต่เราไม่ได้บอกการเกิดดับแต่แล้วแต่ปัญญาใครจะไปถึงตรงนั้น เพราะฉะนั้นตัวที่เราให้ดูเนี่ยยกเนี่ยมันเป็นเกิดเป็นดับอยู่แล้วเนี่ยแต่เราปัญญาเรายังไม่ถึงเราก็เครู้แค่ ย, ยกขึ้นลงหนักเบาแค่นั้นเองแต่ความจริงในนั้นมันมีเกิดดับแต่ว่าเราจะไปคิดเอาว่าเป็นการเกิดดับเดาจนกวจะเกิดปัญญาเห็นมนถึงจะเป็นการเห็นการเกิดดับแต่การเกิดดับมีอยู่ยกเป็นการเกิดดับอยู่าาาค่ะอาจารย์ค่ะ คือหนูปฏิบัติเนี่ยที่อาจารย์บอกว่าให้เคลื่อนไหวสิบสี่จังหวะพอเวลามีสมาธิแล้วอะค่ะหนูเห็นแต่การเคลื่อนไหวสิบสี่จังหวะซึ่งลืมมาการอื่นไปเลยแล้วเมื่อกี้อาจารย์บอกว่า ที่ต่อเนื่องจากที่พี่เขาถามอะค่ะว่าเราควรเห็นทุกอย่างให้ทั่วพร้อมหรือจังหวะอันนี้ที่เราที่เราทําเนี่ยค่ะควรจะเห็นอันไหนถ้าที่หนูถามคือถ้าหนูเห็นแบบเนี้ยพอสมาธิมันรวมแล้วเนี่ยกระทั่งความปวดมันก็หายง่วงก็หายเผลอคิดก็หายแต่กายมาเห็นชัดเจน ซึ่งอันนี้มันเป็นการเพ่งต้องเกินไปไหมคะคือหนูควร จ, จะจะจะผ่อนแล้วก็รู้ให้ทั่วตัวหรือว่าที่ที่ทําเนี่ยถูกอยู่แล้วคือของจริงเราต้องการให้ทําจุดเนี่ยให้มันมีกําลังเมื่อตรงนี้มันมีกําลังแล้วมันกระจายไปเองเวลาโยงไปจุดไฟเผาขยะนะโยงไม่ได้จุดทั่วกองทีเดียวนะโยงจุดที่ใดที่หนึ่งใช่ไหม เมื่อมันติดแล้วเนี่ยไฟมันก็จะลามไปทั้งหมดทั้งกองเองแต่ถ้าหากว่าไปจุดตรงนั้นมันไม่ลามมันดับก็ต้องจุดใหม่มันดับก็ต้องจุดใหม่จนกว่ามันจะติดทั้งหมดเข้าใจไหมคือหมายความว่าต้องทำจุดนี้ไปเรื่อยๆจนกว่ากำลังสติที่เราทำจุดเนี่ยมันจะขยายไปเองแต่ถ้าหากว่าเราทำจุดนี้กำลังสติที่เกิดตรงเคลื่อนไหวตัวเนี้ย มันยังไม่มีกําลังแต่เราพยายามระลึกทั้งหมดเนี่ยนนั้นก็แสดงว่ามันก็จะเบลอมันไม่ชัดแสดงว่าที่หนูทําถูกแล้วใช่ไหม ค, คือจ้องไปที่จุดนี้ก่อนถ้าถึงเวลาแล้วมันก็จะรัวรู้ไปทั่วตัวเองใช่ทำส่วนนี้ไปเรื่อยๆทำสบายๆนะ <c oughs> แต่ถ้ารู้ไปไม่ค่อยพอกําลังของสติเข้มแข็งปั๊บมันก็จะรู้ไปเรื่อยๆรู้ทั้งหัวรู้ต่างๆแต่มัน <c oughs> มีเผลอมีสุก เราก็ธรรมดาเพราะมันยังไม่ทั่วนะเพราะมันมันจุดจจองอยู่ตรงนี้อยู่มันก็เผอออกไปแต่ต้องการที่ให้มันลามไปทั่วเพื่อที่จะไมให้มันไปให้มันจัดเผอจัดเพลินนั่นเองแต่ในช่วงทําอยู่ที่มันก็มีเผอมีเพอินเลื่ยๆเพราะมันยังไม่คลุมทั้งหมดออืแต่ละมันเผอไปสุกอะค่ะแบบอไม่อยากออกก็เขาปรับมันก็ต้องปรับบ่อยๆกีคือกลับมารู้สึกตัวกลับมารู้สึกตัวบ่อยๆเดี๋ยวพอมันตั้งอยู่นานๆมันก็กระจายไป แต่ว่าทําอยู่ตรงจุดเดียวเนี่ยมันเสี่ยงพ่อเลยเพราะมันเผลอมันเพลินได้ง่ายอ๋อหลวงพ่อเลยให้เปลี่ยนอริยบทเป็นอ่าให้เปลี่ยนนี่บทช่วยมันเพื่อจะปรับไม่ให้มันเผลอมันปรับเอาเผลอเอาเพลินออกไปแต่เราต้องการให้อยู่จุดนี้ให้เข้มแข็งก่อนอพอจะนี้เข้มแข็งแล้วค่อยๆจ่ายเป็นสัมปชัญญะเป็นสมาธิเป็นปัญญาของมันเองโดยที่ไม่ต้องไปคิดถึงมันถ้าถึงพร้อมแล้วมันก็จะไปของมันเองใช่เหมือนยนหยดน้ําอ่ะหยดทีละหยดทีละหยด เมื่เข้ามาเข้าน้ําที่หยู่ตรงนั้นมันกระจายออกไปเรื่อยๆของมันเองแต่ถ้าน้ํามันน้อยมันก็เปียกเฉพาะตรงนั้นแหละหรือไฟที่ จ, จุดเราจุดตรงจุดตรงนั้นแหละพอดานเข้ามันก็ลามไปเองเข้าใจนะขออนุญาตเพิ่มเติมค่ะพระอาจารย์ช่วงที่ที่เรียนท่านอาจารย์ว่าช่วงที่เดินจงกรมแล้วในความรู้สึกที่มันเนียนๆไปนะคะ แล้วยมเริ่มสังเกตเห็นเกิดดับเกิดดับคือย้ายจิตไปตรงไหนมันจะเห็นตรงนั้นบางทีจะรู้สึกได้เลยว่ามันเกิดพร้อมๆกันในหลายๆจุดเพียงแต่เราอาจะรู้ได้แค่ทีละจุดที่มันที่เราต้องการที่จะรู้อะค่ะแล้วถ้ามันจะมีช่วงที่มันเหมือนมันจะเพลินไปแล้วโยมจะเริ่มรู้สึกว่าเหมือนจะเริ่มมีขนลุกตรงตร ง, ตรงคอค่ะโยมก็จะถอยถอยออกมามารู้ที่หนักเบากลับมารู้ที่หนักเบาก่อน แล้วก็พอเราอยากจะสังเกตอะไรอีกก็ค่อยค่อยเข้าไปอีกอะคะ่ะยมทำถูกไหมคะเพราะว่ายมรู้สึกว่าถ้าเลยจุดนั้นไปแล้วมันจะเริ่มเกิดความพอใจมากๆาะคะ่ะแล้วยมก็เลยรีบถอยออกมาะคะ่ะขอถามว่ายมเคยปฏิบัติแนวอื่นมาก่อนหรือเปล่าก่อนมาปฏิบัติวิธีนี้ ยังเคยไปที่วัดอัมพวันค่ะแต่ไปเพื่อไปบวชให้สมเด็จย่าค่ะไปปฏิบัติธรรมช่วงสมเด็จย่านู่นเลยอะค่ะแล้วก็ไม่เคยไปอีกเลยปฏิบัตินานไหมตอนนั้นไม่นานค่ะไปสามวันเองค่ะแล้วกลับมาบ้านามาทำต่อไหม ส่วนใหญ่เมื่อเช้าที่พระอาจารย์พูดจะถูกต้องค่ะโยมคือโยมจะอยู่ในยูท b e ค่ะส่วนใหญ่แล้วโยมจะดูจะฟังธรรมค่ะโ oh. ยมจะฟังธรรมเป็นส่วนใหญ่ <c oughs> ไม่ได้ปฏิบัติค่ะ <c oughs> เพียงแต่ว่าโยมจะพยายามรักษาศีลศีลห้าเนี่ยพยายามให้ศีลห้าบริสุทธิ์แล้วก็ ฟังธรรมเป็นหลักค่ะแต่ว่าไม่เคยปฏิบัติเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็ไปที่วัดมาบจันทร์ที่วัดหนองปลาพงของหนวงปูชาค่ะแต่ว่าอยู่วัดมาบจันทร์อยู่ที่จังหวัดระยองแต่โยมไม่ได้ไปปฏิบัติธรรมค่ะแต่ส่วนใหญ่เวลาโยมทุกข์ใจก็จะไปที่นั่นแล้วก็จะไปอยู่เงียบๆค่ะก่อนหน้านี้เวลาโยมมีความทุกข์โยมจะออแล้วก็เคยไปไปเข้าคอร์สของ ท่านพระภัยสารวิสาโลครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาก็เลยฟังธรรมของท่านภัยสารเยอะมากก็เวลาเจอความทุกข์อะไรโดยที่ผ่านมายมจะใช้เหตุผลมาแล้วก็เหมือนที่ท่านอาจารย์พูดเมื่อเช้าว่าค่ะว่าเหมือนเราเราฟังธรรมสมมติว่าเราฟังธรรมแล้วเราวิเคราะห์ว่า อันนี้น่าจะใช่อันนี้น่าจะจริงสมเหตุสมผลโยมก็จะเอามาใช้ในชีวิตเช่นถ้าเวลาโยมป่วยมีโรคอะไรใดๆก็ตามจะร้ายแรงอะไรขนาดไหนโยมก็จะให้เหตุผลกับตัวเองว่ามันไม่เป็นไรหรอกเราไม่ใช่เคสแรกในโลกก็จะให้เหตุผลแบบนี้แล้วมันก็คือเราก็จะยอมจำนนแต่ถ้าเวลาเรามีเรื่องไม่สบายใจใดๆก็ตามมีปัญหาอะไรโยมก็จะใช้วิธีแก้ไขโดยการจะกลับมา จะไม่เพ่งโทษไปที่คนอื่นนะคะจะจะกลับมาโทษตัวเองก่อนมามองที่ตัวเองก่อนเพราะโยมมีความรู้สึกว่ายังไงก็ตามเราจะเมตตาตัวเราเองก่อนเพราะฉะนั้นโยมก็จะรักษาใจด้วยวิธีแบบนี้แก้ความทุกข์ด้วยวิธีแบบนี้แต่ว่ามันก็จะเหนื่อยนะคะที่เราจะต้องหาเหตุผลมารองรับกับความทุกข์เพื่อจะให้มันผ่านไปต่อครั้งต่อครั้งพอพอโยมได้ได้ฟังพระอาจารย์กันทิตพูดว่าแนวทางแห่งความพ้นทุกข์ แล้วโยมมีความรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นแนวทางที่ตอบโจทย์โยมก็เลยมาเจ้าค่ะอาจารย์ Youtube นี้ใช้ได้นะ <c oughs> เข้าไปฟังอาจารย์ Youtube บ่อยๆวางพื้นฐานแต่คนจริงโยมก็ไปมาหลายที่เนาะแต่แต่ที่แต่แตและที่ก็โอเคทำให้เกิดสร้างปัญญา <c oughs> เมื่อมาฟังเข้าใจแล้วก็ทำถูก <c oughs> นะนั่นก็ดีแล้วแต่ว่า ในจุดหนึ่งที่ต้องระวังก็คือว่าอย่าเผลอเข้าไปเพลินหรือเพ่งจ้องจุดใดจุดหนึ่งแล้วมันจะเป็นนิมิตเป็นอะไรขึ้นมาจะกลายเป็นสมถะวันนี้วันนี้โยมไปทั่วทั่วตัวเลยเจ้าค่ะไม่ไม่ได้อยู่ตรงจุดใดจุดหนึ่งค่ะอ่าชัดเจนนะค<ะ>่ะก็ถ้าหากว่าเราพยายามดูทั่วตัวเนี่ยโอกาสที่พวกนิมิตของสมถะทั้งหลายมันก็ไม่เกิด แต่เกิดว่าจิตมันรวมนะจุดใดจุดหนึ่งแรงนิมิตของสมถะก็จะมันก็เกิดเพราะว่าโดยส่วนตัวถ้าโยมพูดคำไม่ถูกต้องไม่ไม่ถือสานะคะคือโดยส่วนตัวโยมไม่ได้ไม่ได้มาคือเข้าปฏิบัติธรรมอะค่ะด้วยเหตุผลจริงๆคือแค่อยากพ้นทุกโยมไม่ไม่ไม่ได้รู้อยากเป็น โสดาบันอะไรอะไรประมาณอะไรอย่างนั้นไ ม, ไม่ได้คิดถึงเรื่องพวกนั้นนะคะแค่แค่อยากเห็นทางพ้นทุกเท่านั้นเองแล้วมีความรู้สึกว่าคอสนี้มาแล้วเหมือนที่พระอาจารย์พูดอีกอะค่ะเมื่อเช้าว่าเราไปทำอะไรอยู่มาตั้งห้าสิบปีทำไมเราเราเราน่าจะรู้เรื่องนี้ตั้งนานแล้วทำไมเราเพิ่งมาเจออะค่ะยมรู้สึกรู้สึกคุ้มมากเลยค่ะที่มาครั้งนี้ทุกครั้งขออนุโมทนาจริง พวเราที่มาพบกันเนี่ยถือว่ามีบุญเท่านั้นนะแต่ว่าคนไหนมีอะไรสั่งสมมาก่อนก็จะรับได้เยอะคนไหนสั่งสมมาก่อนม่ว่ามีภาชนะใหญ่คนไหนมีภาชนะเล็กก็ได้แค่นี้คนไหนมีภาชนะใหญ่ก็ได้เยอะเพราะนั้นแต่ละคนก็ก็มาแล้วก็ได้มากน้อยขึ้นอยู่กับว่าเราได้สั่งสมสิ่งนั้นรองรับมามากน้อยแค่ไหนนะพยมก็เป็นคนมี เหตุผลเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ฟังด้วยเหตุผลมันก็เข้าใจได้เร็วนั้นก็ในเรื่องของปัญญาสามประการเนี่ยเราคงสั่งสมไว้เสมอหนึ่งเป็นคนชอบฟังมากกว่าชอบพูดสองเป็นคนพิจารณามากกว่าฟุ้งซ่างสามเป็นคนลงมือพิสูจน์มากกว่าเชื่อคนอื่นถ้าสามอย่างนี้ก็ ปฏิบัติทมเห็นได้ไวจำไว้นะหนึ่งอะไรชอบฟังมากกว่าชอบพูดสอง <c oughs> ชอบนิดพิจารณาด้วยเหตุผลมากกว่าฟุ้งร้านสามพิสูจน์มากกว่าเชื่อลงมือทำก่อนใครพูดอะไรมาไม่ปฏิเสธแต่ไม่รับแต่พิสูจน์ ไม่รับทันทีไม่ปฏิเสธทันทีนะแต่ขอพิสูจน์ก่อนเชื่อไม่เลื่องเป็นเชื่อไม่เชื่อเป็นเรื่องของเราใช่ไหเขามีเรามีหนา้าที่เขามีหน้าทูดถ้าสามอย่างเนี่ยโอ้ปฏิบัติธรรมได้ไวนมัส ก, การหลวงพ่อนะคะ อ, อ, อยากจะเรียนถามว่าเราจะใช้สิบสีจังหวะปฏิบัติร่วมกับอาณาปานสติได้ไหมคะ ก็เขได้นะได้ทั้งสองอย่างที่หลวพ่อพาเดินจงกรมอ่ะใช่ไหมเขาใช้ลมเข้าไปร่วมก็ได้แต่ว่าถ้าหากว่ามันจะให้ชัดเนี่ยเราก็ทําอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ในกรณีที่เรามีสติเสัญญะเข้มพอแล้วก็ทําหลายๆอย่างก็ได้ไม่ใช่สองอย่างนะภาพตาอ้าปากหายใจหรือใจเลยก่อนในร่างกายยังมีความรู้สึกเยอะนะ เย็นแอ้นอนแข็งเค้งตึงมีอยู่ตลอดใช่มก็ต้องรู้ให้ทั่วทั่วอย่างรู้ลมหายใจให้รู้ลึกรู้ตื่นรู้สั้นรู้ยาวรู้ได้ตลอดเวลาแต่ตอนที่เรามานั่งทำถ้าหากว่าตรงนี้ไม่ชัดเอาตรงนั้นมาช่วยแต่ถ้าตรงนี้ชัดแล้วก็ตรงนั้นไม่ต้องก็ได้เอาชัดจุดใดจุดหนึ่งเอาความรู้สึกตัวเขาเรียกว่ารู้ชัด คำว่าชัดนี่มันต้องมีจุดเดียวนะแต่ถ้ารู้ทั่วมันก็ต้องห ล, หลายจุดรู้ชัดคืออย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนไฟฉายนะแต่รู้ทั่วมันก็ไฟเปิดไฟแบบนี้ทั่วบริเวณเลยมันจะมีไฟสองไฟที่เราใช้ในบ้านขอเราหนึ่งไฟรู้ชัดคือไฟฉายสองไฟรู้ทั่วคือหลอดไฟในบ้านอัอนนั้นก็ถูกละ ไม่ไม่เป็นอุปสรรคแต่เพียงแต่ว่าเราจะไปแก้ปัญหาอะไรเท่านั้นเองนะขอบพระคุณค่ะมัสการผ้าจา์ค่ะเมื่อกี้นี้ข้องใจนะฮะที่ว่าการปฏิบัติธรรมดีไหการปฏิบัติธรรมนะคะของกำหนดปัจจุบันแล้วก็ยุคพองยุค พุทธโธเนี่ยฮะแต่ว่าถ้าเผื่อไปของพองยุคหรือพุทธโธเนี่ยแล้วสิบสี่จังหวะเนี่ยเราไปใช้ได้เปล่าคะเอ่อถ้าสมมติโยมไปทัวร์ประเทศจีนนี่นะ<ม>เขาไม่มีช้อนส้อมให้นะเขามีแต่ตะเกียบถ้าโยมใช้ไม่เป็นเนี่ยโยมจะทานข้าวได้ไหมถ้าไปที่อเมริกาไม่มีตะเกียบมไม่มีช้อน วิเต็มมีดกับส้อมให้อย่างนี้นะโยมจาเป็นต้องทานต้องใช้เป็นไหมวิธีการนะมันเป็นเพียงเครื่องมือมันไม่ใช่ตรวจสภาวะยุบเนอของเนอเคลื่อนไ้ใหายใจเข้าออกพูดโทเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่จะให้เราได้ใช้สภาวะได้สะดวกให้เห็นสภาวะสะดวกเราไม่ได้ทานช้อนไม่ได้ทานตะเกียบเข้าไปนะเหมือนกัน การอุบายวิธีการเนี่ยมันเป็นเครื่องมือเพื่อที่ให้เราอาศัยมันให้เกิดสภาวะยกแขนนี่กับแขนนี่เป็นเครื่องมือเราไม่ได้เอาแขนนี่เป็นเป็นตัวสมถะหรือวิปัสสนาะนะเราเป็นเครื่องมือให้เกิดเวลาเราแล้วแต่ใครจะเป็นเครื่องมือคนไปจับปลานเนี่ยเขาใช้เครื่องมือบางคนไม่มีแหเขาใช้อะไร ใช้เบ็ดถ้าคนไม่มีทั้งเบ็ดทั้งแหย่ใช่ไรใช้อวนนะใช้อวนอวนก็ไม่มีเดี๋ยวนี้ก้าวหน้าใช่ไรใช้ไฟฟ้าช็อตอะไรก็ได้เป็นอุปกรณ์ถ้ามันจับปลาได้ก็แล้วกันนะแต่ใช้ไฟฟ้าช็อตนี่โหดร้ายมากแล้วบางแห่งร้ายไปกว่านั้นอีกใช้ยาเลยนะใช้ยาเบื่อโอ้ เพราะฉะนั้นวิธีการคืออุวัยที่จะจับสภาวะนั้นได้อันไหนที่จับสภาวะได้เร็วอวัยนั้นก็ใช้ได้ละและแต่คนอามาเคยว่าอมาถนัดไป ต, ตกเบ็ดมาถนัดจะทอดแห น, นะบางทีก็ถนัดที่จะถึงอวนมาถนัดที่จะไป ช็อตนี่นะแล้วถนัดใครถนัดมันขอให้ใช้เครื่องมือให้เป็นกันแล้วกันเข้าใจไหมเข้าใจค่ะแต่ว่าเวลาถ้าเผื่อไปนั่งทำสิบสี่จังหวะนี่ค่ะป่วจะเป็นตัวประหลาดประหลาดที่คนข้างเคียงเขามองนะคะก็ก็ต้องรู้จักการละเทศาน้อยจะไปทำทั่วไม่ได้ หลวงพ่อเทีนบอกว่าแค่นี้ก็ได้ไปรถไปเรือนะอเพื่อให้สร้างที่อยู่ให้จิตเท่านั้เองให้มันอยู่ตรงไหนก็ได้สมัยหลวงพ่อไปหาหลวงพ่อพุทธทาท่านตบขาเล่นเวลาทับแขงนะมือท่านข้อขาไปเรื่อยๆที่บางครั้งสมเด็จสังกรอดวก่อนเวลาท่านออกทีวีนะมือท่านก็หมุนไว้ข้างหน้าเรื่อยๆท่านก็พูดไปเรื่อยมือก็หมุนนะ สังเกตไหมเอามารักสังเกต น, นะโอยมือก็หมุนเล่นแบเนี้ยเพราะนั้นเราต้องหาจุดจเจริญสติเคล็ดลับของตัวเองเอาจุดใดจุดหนึ่งเพื่อให้จิตมีที่อยู่จิตอยู่จุดใดจุดหนึ่งเนี่ยมันก็เหมือนกับเราแม่กับลูกเขาอยู่ใกล้กันอุ้มลูกเอาไว้เงินเนี่ยโยมมีเงินเป็นแสนเป็นล้านอยู่จะถือไป เหมือนผักเหมือนปลานี้ได้ไหมต้องหาที่อยู่ให้มันนะั่นนะของมีค่าเนะี่ยไปวางเร้อทั่วไม่ได้เดี๋ยวเขาเอาไปเหมือนกันโยมมีของเนี่ยจะไปจับให้เขาเห็นไม่ได้โยมก็เก็บซ่อนไว้ตรงไดตรื่องหนึ่งนั่งสูตดลมหายใจเข้าออกก็ได้ในขณะนั้นนะเพราะที่มันไม่ให้เอาไว้จุดที่มันจะให้คนอื่นเห็น เขาเห็นเดี๋ยวเขาขอไปขอไปพวกคนใหญ่นี่มีเงินเยอะเนี่ยขอบ้างนะถ้าไม่ให้เดี๋ยวเขาแย่งออกไปเลยนะเข้าใจนะวิธีการทั้งหลายเป็นเพียงเครื่องมือให้ได้สภาวะนั่นเองอดพูดไม่ได้นะฟังแล้วมันไม่มีใครรู้ว่าผมกำลังใช้วิธีการสิบสี่จังหวะเพียงแต่ว่า เราต้องทําให้กําลังสติของเราเนี่ยกำลังความรู้สึกตัวเนี่ยมันเข้มไปถึงระดับหนึ่งก่อนแล้วถึงจะมาฝึกแบบนี้เพราะฉะนั้นพอถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเนี่ยจังหวะที่เราใช้ขยับมือหรือการเดินเนี่ยมันก็ไม่จําเป็นอย่างที่หลวงพ่อท่านว่าเราใช้กระดิกนิ้วเราใช้โยกตัวเราลืมตากระพริบตากืนน้าลายอะไรอย่างเงี้มันได้หมดเลยแล้วเราไปอยู่ตรงไหนก็ไม่มีปัญหาเพราะเขาก็ไม่รู้ว่าเราทําอะไรแต่ว่าเรากําลังทําอยู่ ผ ม, ผ, มผมออกแบบมาเพื่อเพื่อเรื่องนี้ครั บ, รบมสมัยก่อนที่มาไปหาหลวงพ่อที่ท่นหันหลวงพ่อท่านบอกท่านเอามาก็สังเกตว่าท่านเจริญสติยังไงท่านใช้วิธีท่านพูดไปก็หัวไม่มือเนี่ยท่านท่านท่านไปท่านเรื่อยนะแอเราก็รักสังเกต <c oughs> <c oughs> อ่า <c oughs> ใช่ นั่นก็เอาไปทาในรถในเรือต่างๆนะท่านก็นทําแค่นี้แล้วว่าหาเคล็ดลับของกายของมันแต่ว่าบางครั้งทำไมเราส่วนใหญ่ทำไมต้องทำสิบสี่จังหวะเวลาเราไปจำได้เมื่อเวลาเราไปเรียนหนังสือเข้าเขียนหนังสือโปรสี่นี่นะครูจะบอกให้ทําไงเขียนหนังสือคัดนนเนา ะ, ะแล้วก็ สมัยนี้ก้าวหน้ามีลายจุดให้เลยนะ <c oughs> เขียนไปตามลายแต่เวลาเลยไปสูงขึ้นไปนะมันนั่งคัดอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้เราก็เขียนไปเลยเนะี่ยมันก็เขียนตัวเดียวกันนะี่แหละแต่เขียนไว้กว่าอ่าเหมือนกันที่เราทําเป็นแบบแผนเนี่ยมันจะต้องมีเอาไว้เพื่อที่จะให้มันรู้ว่าเราใช้ภาษาอะไรและเขียนภาษาอะไร หรือบางทีเราต้องการน้ํามาดื่มเนี่ยเราต้องมีรูปแบบคือตัวนี้รักษามันน้ําเนี่ยถ้าไม่มีแก้วใสเราจะมาวางตัวนี้ได้ไหมไม่ได้รูปแบบเหมือนกันคือสิ่งนี้หรือแม้กระทั่งเทเสาสมัยใหม่ก็ต้องมีแบบนะถ้าไม่มีแบบมันก็เทไม่ได้ที่เราจิตนำมาทํำเนี่ย มันก็เหมือนน้าหรือเหมือนอะไรของที่มันสภาวะอีกแบบหนึง่งเราก็อาศัยตัวนี้มาเป็นแบบให้มันได้อาศัยแต่เมื่อจิตของเรามันเข้มแข็งแล้วเหมือนปูนเน่ยพอมันแข็งตัวแล้วเขาก็แกะแบบออกนั้นพอเราจิตของเราแข็งเข้มแข็ ง, ข ง, ข ง, ขงจนกิเลสมันเข้าไม่ได้แล้วแบบแล้วก็จะไปทิ้งทงําไงเพื่อให้คนอื่นได้ใช้ต่อเราก็ยังทำเหมือนเดิมนีแ่แหละเผื่อคนอื่นยืมไปใช้ ถ้าเราไม่ทำแล้วคนอื่นเขาจะเอาไปใช้ไม่ได้เพราะว่าเขาไม่รู้ย่าจะทำาไงใช่ไหพอเราทำไม่เห็นก็เหมือนเขายืมไปทำต่อนั่นเองเพราะฉะนั้นแบบก็จำเป็นใช่ไหมไม่ใช่ไม่จำเป็นใช่เลยนะก็จำเป็นแต่ว่าเพื่อที่ให้เป็นวิธีการนะช้อนใบเดียวเน่ะคุณทานแล้วคุณทิ้งเนี่ยก็ประโยชน์น้อยแต่คุณทานคุณรังเก็บเอาไว้คนอื่นเขาก็ไม่ใช่ต่อได้ ก็ <c oughs> อันมันเป็นแบบอ่ะเป็นอุปกรณ์อะเข้าใจนะโอเคแต่ถ้าเขารักที่จะทํานะอรักที่ทำเท่าเขาจําหลายๆจังหวะที่เขาอาจจะจําไม่ได้นะเขาให้จําหรือแม้แต่คนแก่ผู้สูงอายุเนี่ยจะให้ว่าครบสิ่งๆทย่เขาทําไม่ได้ก็ทำบางครั้งมันก็ให้ทําขึ้นลงแค่นี้ก็พอเพื่อให้จิตอาศัยที่ตั้งมาได้เ ล, เ, ลเล็กน้อยก็ยังดีกว่าไม่ได้ แต่ถ้ามัน full system เลยนะ14จังหวัดมันก็ได้เยอะหน่อยแสดงว่าคุณเป็นแม่ที่ฉลาดพอสมควรสอนลูกได้ด้วยนะขออนุมโมทนานะถ้าคุณแม่หลายคนเป็นอย่างคุณเนี่ยเขาคงจะได้มีลูกที่ดีนะงขออนุมโมทนาที่ได้ลูกที่ดีเพราะได้แม่ที่ดีนั่นเองนะโอเคเนาะหมดเวลาแล้วเนาะนะกนะ็ขออนุมโมทนาสาธุ ตรงนี้เพื่อเป็นการเพราะเราฟังมาหลายรอบแล้ววันนี้ฟังพระอาจารย์อภัยฟังหลวงพ่อเทียนพระอาจารย์ก็ไม่ต้องบรรยายอีกแต่ว่ามังมีข้อสงสัยพวกฟังเยอะเนาะก็มาเคลียข้อสงสัยนี้ก็พอคุโมทนาในการที่เราศึกษาเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ให้รู้แจ้งเห็นจริงแก่จิตแก่ใจเราเองจนกระทั่งเราสามารถป้องกันไม่ให้เกิด ได้ตลอดชีวิตด้วยกันทุกคนทุกท่านเถิ